ข้อที่52เรื่องสังกิจจสัมมเนนแม้สังกิจจสัมมเนนเป็นบุรของพระรณมมหาศารในกรุงสวัสถีในเวลามีอายุได้เจ็ดขวบบรรพชาในสำนักพระสารีบุตรเถระบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายในขณะปลงผมเสร็จนั่นเองในคราวเป็นสมมเนนเธออยู่ในป่า ก, กับภิกษุ30รูป ถูกพวกโจรห0 0ร้อคนจับกุมไว้หน้าส่วนข้างหนึ่งด้วยหาเรือกันว่าพวกเราจะฆ่าผู้นี้ทำพลีกรรมแก่เทวดาดังนี้นั่งเข้าฌานในที่นั้นนั่นเองหัวหน้าโจรสั่งลูกสมุนให้ทากิจมีก่อไฟเป็นต้นเสร็จแล้วเอาดาบฟันคอสามเณรดาบพับคมต่อคมกระทบกัน หัวหน้าโจรจึงดัดดาบนั้นให้ตรงแล้วฟันใหม่ดาบม้วนไปถึงขนดาเหมือนใบตาลฉะนั้นโจรทั้งหมดเหล่านั้นเห็นความมัศจรรย์นั้นและฟังเทศนาของเธอเลื่อมใสบวชในสำนักเธอแล้วไปสู่พระเชตวันพร้อมกับสัมมเนนนั้นฟังเทศนาของพระบรมศาสดาแล้วบรรลุพระอรหันต์พร้อมกับปฏิสัมพิทาทั้งหลาย ในนี้ท่านกล่าวไว้ในอัธถากดาธรรมบทเป็นต้น